ะะและทุกครั้งที่คุยเรื่องความตายเนี่ยไม่มีใครลุกไปไหนเลยนะคะล่าสุดตอนที่เราจัดงานที่ธรรมศาสตร์นะคะกับท่านโซเฟียริโกเช่เนาะซึ่งครึ่งวันบ่ายอะคะ่ะไม่มีใครยอมลุกออกจากห้องประชุมนะะแม้กระทั่งตัวเองนะคะปวดข้องน้ำมากแต่ไม่อยากพลาดแม้สช่วงหนึ่งนะคะก็ต้องนั่งฟังจนกระทั่งจบรายการนะคะ อันนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เดียนเชื่อว่าสังคมไทยตื่นตัวในเรื่องนี้แล้วนะคะและส่วนหนึ่งต้องยอมรับค่ะว่าเป็นเพวิทยากรสองท่านในวันนี้นะคะท่านแรกเนี่ค่ะเดียนคงไม่ต้องแนะนําแล้วละค่ะท่านคงรู้จักทุกท่านคงรู้จักท่านเป็นอย่างดีพระอาจารย์ไทศสาที่สารโรเนาะนะคะขอให้พวกเราต้มนึ่งนือแล้วก็ปไปษาธุพร้อมกันนะคะสาธุค่ะ ก็พระอาจารย์าทำงานเรื่องเผชิญความตายอย่างสงบมา10กว่าปีถึงไหมคคะพระอาจารย์สิบสปีประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องของการปบรมรเผชิญความตายอย่างสงบนะคะรวมถึงการได้รับนิมนต์ไปบรรยายนะคะได้รับนิมนต์ไปโปรดคนไข้ในช่วงระยะสุดท้ายนะคะ อ, อ, อยอ่นิ่งเนืองนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านได้ทำอย่างต่อเ น, นี่องคิดว่าณวันนี้เนะะี่ยค่ะมันค่อยๆเกิดดอกออกผลนะคะคนก็รู้จักท่านในฐานะที่ท่านเป็นคนผักดันเรื่องของการเตรียมตัวตายนะคะหรือเผชิญความตายอย่างไรนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะอันนี้เป็นผู้ช่วยมาจากกรุงเทพเลยนะคะน้องเทียนเนาะค่ะกะ็ส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะ เมื่อกี้คุณนาบอกว่าให้เรียกป้าสีก็ได้ได้ไหมคะอะคนหญิงหาจ้องสีหานเจนรักนะคะหรือป้าสีนะคะมาให้นั่งข้างบนนะคะเมื่อกีแล้วก็อป้าสีเนี่ยคะ่ะทวนนี้นะคะเขาบอกว่าป้าสีทําอะไรหลายคนก็จะรู้จักป้าสีในเรื่องอเกี่ยวข้องกับความตาย นะคะจนเขาบอกว่าป้ารีเนี่ยเป็นแบรนด์แอมบราเดอร์ของเรื่องความตายไปเรียบแล้วนะคะหมายความว่าคนที่มาสัมภาษณ์นะคะนิตยสารทีเ่เอาไปลงต่างๆเนะะี่ยค่ะก็มักจะหนีไม่พ้นที่จะถามประสีเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวตายนะคะแล้วก็เมื่อวานก็ได้ยินว่าประศีก็ใช้ชีวิตเป็นหนึ่งว่าทุกวันนะคะทุกวันมันคือ มันมันมันคือชีวิตกับความตายมันเป็นสิ่งเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่มีความตายเนาะมันมีแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็อยู่กับมันนะคะนเนี่ยได้สินสีเมื่อวานแล้วก็รู้สึกว่าเออความตายกับชีวิตเนี่ยมันไม่ได้กันเลยนะคะ ก็วันนี้เราี่อนกทั้งสองท่านนะคะที่จะมาร่วมเสวนาเนาะแล้วก็เข้าใจว่าเป็นครั้งแรกที่จะไลฟ์สดด้วยใช่ไหมคะเป็น Facebook Live ใช่ไหมคะค่ะนะคะกะ็ไม่ได้เตรียมกับทั้งสองท่านเลยค่ะนะคะยังเป็นพิธีกรที่แย่มากค่ะไม่ได้ทำกันบ้านกับเิลียากรทั้งสองท่านเลยค่ะนะคะ แต่เดี๋ยวเชื่อว่าทั้งสองท่านมีแง่มุมที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับพวกเราเตรียมรถนอยู่แล้วนะคะเออไม่ต้องเตรียมนะคะไม่ต้องทํากันบ้านเพราะว่าในเนื้อในตัวท่านมีสิ่งเหล่านี้ที่เป็นแบบอย่างให้กับพวกเรานะคะก็อ อ, อยากจะเริ่มด้วยภาษีก่อนดีกว่านะคะแล้วก็ค่อยมาที่พระอาจารย์ไพรสานนะคะเภาษีเนี่ยเออ ถ้าไม่บอกนะคะหลายท่านคงไม่ทราบว่าท่านอายุ70กว่าแล้ว77แล้วค่ะกำลังจะบอกว่ากว่าเท่าไหร่ให้ไปถามเองนะคะแต่ตอนนี้นนนนจริงๆก็คือกวา่าจะนะ7 1 78แล้วนะคะแต่ท่านเป็นคนที่มีชีวิชีวานะคะหลายคนก็บอกว่าถ้าวันหนึ่งฉันแก่เนี่ยนะคะฉันอยากได้แบบเนี้ยนะคะยังมีชีวิตชีวา ยังได้ทำสิ่งที่รักแล้วก็ยังมีความสุขนะคะแล้วก็ที่สำคัญประสีเนี่ยมีความเป็นศิลปินด้วยนะคะนั้นสิ่งหนึ่งที่ประสีจะมาแลกเปลี่ยนกับเราเนะะี่ยค่ะคิดว่ามันเป็นมุมมองของคนคนหนึ่งนะคะที่ได้ตกผลึกกับชีวิตมา77จะมีย่าง78ปี แล้วกําลังมันเล่าบางอยางนะคะที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องความตายให้พวกเราฟังนะคะเน้นเลยอยากให้ป้าสีเนี่ยได้เริ่มต้นว่าความตายสําหรับป้าสีเนี่ยสิ่งมันมั น, ม, นมันสดมันเข้ามาในชีวิตของป้าสีเนี่ยเมื่อไหร่นะค ะ, ะรวมถึงว่าอะไรทําให้ป้าสีสนใจเรื่องนี้เหลือเกินนะคะก็อยากขอรับแรกสั้นๆตรงนี้ก่อนคะ่ปะป้าสีขามีมาอยู่ด้านข้าง เป็นค่ะภาษีอันนี้เล่าหลายบทแล้วนะคะใครฟังแล้วก็ขอโทษด้วยคําถามนี้ก็คือว่าคือตั้งะจําความได้เนี่ยคำว่าความตายเนี่ยหรือตายเนี่ยมันอยู่กับภาษีมันตลอดเพราะว่าแม่ตายตั้งอายุอายุสองขวบกว่าค่ะเพราะนั้น อ, อไปไหนสมัยก่อนเนี่ยไปโรงเรียนไปไหนมันก็จะมีคนถามว่าแล้วแม่ไปไหนเพระ คำตอบเนี่ยก็คือว่าแม่ตายแล้วเนี่ยมันมันติดปากมาตั้งกต่จําความได้นะคะเอ่ออันนี้เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองที่เล่าอยู่เสมอก็คือความตายของหมาคือป้าศรีเป็นคนเล่นกับหมานะคะปะ้าศรีรักหมาเอางี้แล้วกันอันนี้ตอนก็จำไม่ได้ว่ากี่ขวบนะน่าจะประมาณสิบมั้งถึงนี้อย่างก็ไม่รู้อะคือวิ่งเล่นอยู่กับหมาตัวเล็กๆชื่อเจ้าแดงแล้วเอ่อ รถเลี้ยวเข้ามาฮะแล้วก็ชนมันเพราะนั้นมันต่อหน้าต่อตานะแล้วมันก็ไม่ตายทันทีจาได้ว่าคนเขาก็ยกมันไปแล้วไปไว้ใต้ใต้ต้นสุโอแล้วแล้วก็ไม่มีใครอยู่กับมันเนี่ยอยู่กับมันนะฮะแล้วก็มองไอ้กระบวนการตายของเพื่อนของเราเนี่ยออถอยหลังไปตอนนั้นนะ ก็เอ๊เราก็คงเป็นเด็กตลาดเหมือนกันคือมันไม่ได้ร้องไห้มันไม่ได้เสียใจแต่มันอัศจรรย์ใจว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นนะนะคือวิ่งกันอยู่สนุกกันอยู่ยแล้วอยู่ดีๆเขาก็นอนหักหักหั ก, หกแล้วก็ริ้นห้อยออกมาแล้วก็เขาก็ตายแล้วตอนแล้วเราสงสัยมากเลยว่าแล้วอะไรเนี่ยถ้าถ้าทำไมเอ๊ คำถามใหญ่ที่สุดก็คือชีวิตชีวาความสนุกสนานมันหายไปไหนวัดเดียวปิดตาเดียวนะแล้วมันเหลือแต่แต่กายเนี่ยที่มันกายที่มันวิ่งแล้วมันมีกล้ามเนื้อมันมีแรงพล้วมันอยู่ดีๆมันก็ไปกลายเป็นดินดินดินหนักมันก็คือดินนักมันเป็นมันมีความหนักมันมี มันจะไม่มีอะไรนอนจะบอกไม่ถูกอะนะคะสำหรับอันนั้นะ่ะติดใจมาจนทุกวันนี้เวลานี้พูดก็ยังเห็นภาพอยู่เพราะนั้นเออแล้วหลังจากนั้นๆเนี่ย น, น, นะคะมันก็ตอนที่โตขึ้นมาเป็นสาวเนี่ยมันอาจจะลืมเรื่องเรื่องความตายไปเยอะเพราะว่าชีมันมันดึงอะนะแต่เสร็จแล้วความตายที่ ที่อาจจะทาให้มีวันนี้นะะการทำงานของวันนี้เนี่ยคือความตายของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอายุ99ท่านบอกเลยว่าท่านจะอยู่จนร้อยหนึ่งแต่ก่อนที่ท่านจะร้อยหนึ่งเนี่ยท่านเป็นนิวแล้วก็ที่จริงหมอไม่อยากผ่าแต่ท่านมีความมั่นใจว่าท่านจะถึงร้อยหนึ่่ได้ผ่าแล้วท่านก็ไม่เคยเ ถ้าอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนนะคะแล้วก็ท่อเนี่ยคาอยู่ท่อท่อหายใจนี่มันหลายปีมาแล้วนะมันเดอสามสิบปีมาแล้วท่านเป็นผู้ปฏิบัติธรรมท่านเป็นผู้สอนธรรมะเวลาเราเข้าไปเนี่ยสติท่านดีมากนะดีมากเลยเราจะพบว่าท่านถูกมัดเท้า มัดมือเพราะว่าเขาบอกว่าจะดึงออกตลอดเวลาแล้วเวลาไปยิงข้างๆเนี่ยจะมองเราแล้วพูดได้ตาเนี่ยค่ะพูดด้วยตาชัดเจนมากเลยน้ําตาหลายพราก ค, คือมันมันรู้สึกมันนี่มันใช่เลยเนี่ยแล้วเป็นเดือนนะเป็นเดือนนะแล้วเราถามหมอว่าเจาะคอได้ไหมนะคะถ้าเผื่ว่าจะเอาออกแล้วไม่ยอมให้ท่านไปเนี่ยเออ เขาบอกไม่ได้เพราะว่าถ้าถอดออกมาแล้วเนี่ยท่านอาจจะเสียชีวิตเลยเพราะว่า99เนี่ยลูกท่านสามคนอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทํางานทําให้ทํางานด้านนี้ด้านความตะตันยูหรือเนี่ยนะคะลูกท่านสามคนเนี่ยทุกมากนะคะทุกมากทางด้านแต่เรารู้ว่าเขาเป็นเขาเป็นผู้ปฏิบัติธรรม อย่างน้อยก็คนหนึ่งอีกสองคนก็เข้าวัดอยู่ตลอดเวลาเรารู้ว่าเขากลัวบานะะในที่สุดเนี่ยคุยกับแพทย์ถามว่าเราจะอยู่ไปได้นานเท่าไหร่เพราะว่าทุกครั้งที่ความดันต่เนี่ยเาจะกระตุ้นความดานันนะฮะเพราะว่าถ้าไม่กระตุ้นเนี่ยน้ำจะท่วมปอดเพราะว่าให้น้ำอยู่ลนกลิดเพราะงั้นท่านจะไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆ เ, เ, เ, เลยอาหารก็ให้ทั้งท้อง ให้ทางไหนไม่ทราบจำไม่ได้เรื่องอาหารเนี่ยแต่ว่าก็ให้กันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งของความทุกข์ทรมานที่มีอานิชชาอยู่แล้วเขาก็ยอมรับเสร็จนะคะว่าในคอเนี่ยมันเลกแล้วเดินถามลูกว่าจะปล่อยพ่อไปไหมเขาไม่ตอบเขาเง ย, ยแล้วเขานิ่งเงียบลยไม่ตอบบอกว่าถ้าไม่ตอบเนี่ยตัวเองจะรับเรื่องนี้ไปนะจะทํานะจะพูดแทนญาติ แล้วก็ไปพูดแันญาติค่ะขอให้หมอปล่อยหมอไม่ปล่อยนะหมอไม่ปล่อยหมอเดินออกไปแล้วไปสวนกับหมออีกคนหนึ่งบังเอิญหมออีกคนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเป็นพ่อผมเนี่ยผมปล่อยนะคะท่านนี้ท่านเสียชีวิตภายในสักสองวันต่อมาตัวเองเนี่ยติดใจอยู่ตลอดเวลานะว่าเราชั้นบาปหรือเปล่าล่ะ แ, ลแต่ตอนนี้เนี่ย อ, อันนี้แหละค่ะเป็นอันที่ทําให้ มาทำงานด้านความตายอีกอย่างหนึ่งคือเอ่อทำไมสนใจความตายนะสนใจเพราะว่าตั้งแต่ไหนแต่ไร น, นะเป็นนักประชนภัยคือชอบที่จะเข้าไปสู้กับอะไรหรือทำอะไรที่ตัวเองไม่รู้นะคะความตายเป็นสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ไม่รู้ว่าจะตายยังไงไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไรไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกับความตายเพราะฉะนั้นมันคือการ ผจญภัยอีกอันคิดว่าอันเนี้ค่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้อยู่กับความตายมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นที่ไหนที่มันมีเอบซิบชันเรื่องความตายมีอะไรเกี่ยวกับความตายจะ่ปและอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้ความจากหมาตัวนั้นน่ะ น, นะไอ้ความรู้สึกว่ามันมีเหรอความตายเพราะว่าวินาทีหนึ่งชีวิตมรนอยู่ หนึ่งเนี่ยไม่ถึงอีกวินาทีเนี่ยมันหยุดแล้วอะมี่ความตายมันอยู่ตรงไหนเอ้เส้นขั้นระหว่างชีวิตกับคนตาความตายเนี่ยมันบางจนกระทั่งมันมีอยู่เลยด้วยซ้ำเนี่ยสิ่งเหล่านี้หาเป็นสิ่งที่เออ ฟ, ฟังป้าสีแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าเอ่อความตายสําหรับป้าสีเนี่ยตั้งแต่มาตัวนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยมันมีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปนะคะ ถ้าถามตรงๆกับป้าศรีในวัยเจ็ดสิบเจ็ดวันนี้เนี่ยความตายสําหรับป้าศรีเนี่ยมันมีความหมายยังไงคะอ่ามันเรารู้หรือว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างไหมคะจากวันวันแรกที่เราได้เจอหมาตัวนั้นที่ตายต่อหน้าต่อตานะคะจนกระทั่งป้าศรีได้มาทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้นะค ะ, ะวันนี้เนี่ยมุมมองป้าศรีในเรื่องความตายเนี่ย เป็นยังไงหรือมันมีความหมายกับภริษย์ยังไงคะมันแค่เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นคําถามที่มันเคยคิดถามต้องตอบประกอนนะคะคิดว่ามันเป็นพัฒนาการตามธรรมชาติมั้งของเอของชีวิตอนะฮะเราก็ใกล้ความตายตัวเองก็ใกล้ความตายขึ้นตลอดเวลาแล้วก็อมันมีความหมายอย่างไร ที่ว่มันแค่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานที่มันมาให้เราทำโดยธรรมชาตินะคะเวลานี้ก็มันก็จะมีคนโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ทำให้เราได้ได้ทำในสิ่งที่เขาอยากจะให้เราทำให้ตอนนี้ก็มีหาเคสหนึ่งก็คาอยู่ก็ลูกเขาก็ติดต่อเข้ามาเป็นประจำแม้กระทั่งทำหนังสืองานศพเตรียม เตรียมหนังสือตัอง้งแต่พ่อยังไม่ตายอย่าเตรียมยังไงอะไรเนี้ยค่ะมันกลายเป็นเรื่องของความความหมายเหรอคะป้าอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้แสวงหาความหมายมน่าจะอยู่กับสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี้ยนะ ก, ก็ก็ทํามันไปค่ะคนอู้นโทรเข้ามาคนนี้ติดต่อเข้ามาก็ทําอะไรได้ก็ทําไปแล้วก็งานที่ก็เป็นเรื่องเป็นราวมากที่ไห น, นี้ต้องกราบท่าอาจารย์นะคะท่ า, าอาจารย์ช่วยให้ บรจุจุดนี้ได้ค่ะค่ะทั้งคั้นตู้ามใหม่ค่ะเมื่อวานนี้ประสีดูดหนังเดอะเก็ลิสเนอะแล้วประสีก็ได้พูดหลายอันที่มันเหมือนกับทำให้เห็นภาพว่า เ, เรากับสภาพที่ที่ประสีเล่า ว, ว่าได้ท้องฟ้าเนาะในยามค้ำคืนที่มีดวงดาวมากๆแล้วก็นั่งอยู่จนกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งนะคะ มันเลยเหมือนเป็นค ำ, คำถามในใจว่าณณขนาดนั้นเนี่ยพระศรีบอกว่าไม่ได้กลัวอะไรเลยนะคะซ mm hmm. ึ่งก็เลยอยากรู้ว่าแล้วถ้าถามวันนี้เนี่ยนะคะพระศรีกลัวตายไหมพระศรีกลัวเจ็บค่ะบอกตรงๆ <c oughs> นะคะกลัวเจ็บ <c oughs> แล้วก็สนใจว่าเราจะจัดการกับความยังไงมันก็คงต้อง คือคือทำใจว่ายังไงมันคงไม่ใช่สับมันคงไม่ใช่สบายนะคะตอนที่จะไปประจินนี้คำถามก็คือเหมาะกลัวไหมตายใช่ไหมคะค่ะไอตัวตายเองเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอย่างที่ว่านะมันมันเส้นมันมันมันบางซะจนมันอยู่ตรงไหนอะมันอยู่ แล้วมันก็ตายเส้นมันอยู่ตรงไหนอันนี้มันไม่กลัวฮแต่มันกลัวสิ่งที่จะมาก่อนคราวนี้คำว่ากลัวเนี่ยก็อมองอความกลัวนนี้อยู่นะมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะว่าว่าว่าเออคือเราก็คือมนุษย์คนเนี้ยแล้วก็มนุษย์มันมีอะไรบ้างอยู่ในใจนั่นไ อ, ไอ้ไอ้ความกลัวเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าศึกษา อ, อนาคต ตายไม่หรือว่าความตายอาจจะไม่ได้กลัวเพราะว่าประสีก็กระซายก็ว่ามองเห็นว่าความตายมันก็ใกล้เข้ามาทุกขนาดแต่ว่ากลัวก่อนหน้านั้นกลัวก่อนหน้านั้นแต่ว่าความกลัวนี่มันเป็นประโยชน์นะเพราะว่ามันใช้เป็นตัวโจทย์ซอนมามันเป็นตัวโจทย์สอนเพราะฉะนั้นการฝึกที่จะต้องถึงจุดนั้นเนี่ยรู้สึกในที่สุดมันไม่มีอะไรเกินก่ด ก, กลับมาอยู่ที่ ที่ข้างในเนี่ยไอตัวไอไออะ เ, เรียกว่าธาตรู้หรืออะไรต่ออะไรที่เราทุกคนมีกันอยู่ะนะคะถ้าเรากลับมาอยู่แค่ตรงนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นการฝึกที่ที่ไอความกลัวมันเป็นประโยชน์นะมันพับให้เราต้องกลับมาตรงนี้เสมอทุกวั น, น ขอบคุณพระศรีมากค่ะนะคะอันนี้เป็นช่วงแรกนะคะที่พระศรีได้แบ่งปันให้กับผู้เรานะคะนึนคิดว่าน่าสนใจมากเลยว่าพระศรีไม่ได้ปรีเสตว่าไม่ได้กลัวนะคะซึ่ง่ความกลัวของแต่ละคนเนี่ยก็มีหลากหลายเนี่มีนะคะพระศรีบอกไม่ได้กลัวความตายแต่กลัวสิ่งที่เป็นอาจจะเป็นความเจ็บหรือความทุกข์ทรมานก่อนตายนะคะและความกลัวตรงนั้นเนี่ยในในณวันนี้เนี่ยมันเป็นแรงผลักให้เธอเนี่ยได้ออกลับมา หนักรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวข้างในไม่ใช่เตรียมตัวข้างนอกนะเตรียมตัวข้างในเพื่อที่จะสามารถเผชิญนะคะกับสิ่งที่มันอาจจะเป็นความเจ็บความทรมานที่จะมาถึงในวันข้างหน้านะคะซึ่งชื่คิดว่าอันนี้สําคัญว่าความกลัวเนี่ยไม่ได้ทำให้เราต้องหนีแต่ประสีเลือกที่จะเผชิญหน้านะคะแต่จะเผชิญหน้ายังไงให้เราเป็นเผชิญหน้ายอย่างคนที่ ได้สักซ้อมได้ทำความเข้าใจได้ฝึกฝนนะคะซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยอาจจะได้มาคุยกันต่อนะคะอันนี้เนี่ยด้วยขออนุญาตมาทางพระอาจารย์ไพศาลค่ะนะคะยไม่เคยถามคำถามนี้กับท่านมาก่อนนะคะเราก็อยากรู้เป็นการส่วนตัวนะคะ <c oughs> กออ็อยากนิมนต์ถามพระอาจารย์ค่ะว่าครั้งแรกที่มีคนนิมนต์ท่านให้ไป เยี่ยมผู้ป่วยใกล้ตายเนี่ยค่ะตอนนั้นเนี่ยท่านเอปวดหรือยังนะคะหรือว่าออ่นานแค่ไหนแล้วอะคะที่ที่ท่านได้รับนิมนต์ไปดูแลคนใกล้ตายแล้วตอนนั้นเนี่ยท่านรู้สึกอย่างไรคะ่ะนิมนต์เจ้าค่ะคือถ้าพูดถึงพูถึง การได้รับนิมนต์เนี่ยก็หมายถึงว่าไปไปดูแลหรือไปนำทางคนใกล้ตายที่เราไม่รู้จักนะอันเนี้ยเกิดขึ้นหลังจากที่บวชแล้วแล้วก็ถ้าพูดให้ชัดก็คือหลังจากที่หนังสือเรื่องประตูสู่สภาวะใหม่มันได้กินแพร่หลายก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยได้ไปนำทางคนใกล้าตายที่ไกลตัวนะ เ, เช่นก่อนนั้นเนี่นยเคยได้นำทางโยมแม่ที่กำลังเสียชีวิตจาปฏติเหตุซึ่งตอนนั้นก็ ป, กปี36นะตอนนั้นก็เรียกว่ายังเป็นมือใหม่สนใจเรื่องความตายแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ศึกษ า, าในเรื่องการนำทางผู้ใกล้าตายมากนะ แต่ว่าพอหนังสือเรื่องประตูสู่สภาวะใหมไ่ได้ติมพ์เผยแพร่เนี่ยคนหลายคนที่ได้อ่านเขาก็คิดว่าน่าจะมีการนำท้ า, ทายให้กับคนรักของเขาที่กำลังจะตายเช่นพ่อหรือแม่แล้วก็ก็นึกถึงใครไม่ออกก็ถึงพงระเภศาซึ่งแปลหนังสือเล่มนี้นะก็จำได้ว่าเป็นการแนะนำปากต่อปากนะ ก่อนจะมาถึงเรานี่ก็ผ่านมาสองสมท่อนนะใช่พรมะอนนั้นเนี่ยก็ประสบการณ์แรกๆคือไปนำทางคนใกล้ตาที่เราไม่รู้จักเลยเราไม่รู้จักแม้กระทั่งลูกหลานของเขานะแต่ก็มันก็ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็พบว่าที่จริงเนี่ยลูกหลานเนี่ยก็สามารถจะทำได้ อาจจะดีกว่าเราด้วยซ้ำถ้าเขารู้ถ้าเขารู้ว่าถ้าเขาเข้าใจสภาวะอารมณ์คนใกล้าตายนะตรงนี้แหละที่ทาให้เป็นที่มาของการจัดอบรมเผชิญความตายสงบหลังจากที่เราได้รับนิ ม, มนต์ให้ไปนําทางคนใกล้าตายมาอยู่หลายครั้งซึ่งก็ประสบการณ์แท้ๆคือเราไม่รู้จักผู้ตายหรือผู้ป่วยเลยเราก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นทำไมไม่จัดอบรมให้ลูกหลานเขาหรือว่า คนที่จะต้องมาดูแลพ่อแม่ที่กำลังจะตายในวันข้างหน้าก็เลยเกิดเป็นที่มาของโครงการอบรมประเชิงของตายสงบซึ่งมันก็เริ่มตั้งปีสี่หกแล้วก็มาทำจริงจังกปีสี่เจ็ดก็สิบสาสิบสี่ปีแนละ้วก็สิบกว่าปีที่พระจานทร์รับนิมนต์ไปเยี่ยมคนใกล้าตายเนี่ยคะ่ะพี่อันนี้ขออนุญาตละลาบระล้วงถามนะคะตายดีทุกรายไหมเจ้าค่ะ คือไอ้ที่ไปอยู่เขาจนจนตายเนี่ยมีน้อยมากนะส่วนใหญ่ไปเนี่ยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตอาจจะวันสองวันแค่พอเราไปแล้วเนี่ยหลยังาสอนสมาลูกหลานก็จะบอกว่าพ่อหรือแม่ตายดีซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าใช่ไแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนป่วย ในระยะสุดท้ายจนถึงหมดลมก็คือว่าเขาอยู่ในห้องไอซหรือว่าอยู่ในห้องพิเศษหรืออยู่ในเตียงที่เขากําลังจะหมดความสุขตัวหรือว่าโคมา่าดังนั้นอาการที่ก่อนจะตายเนี่ยส่วนใหญ่จะโคมา่าและโคม่าเนี่ยมันก็ไม่ได้แสดะการของความทุรนทุ ร, รายนะหรือว่ากระสับกระส่ายในแง่นี้เนี่ย ก็อาจจะบอกได้ว่าเขาตายสงบเพราะว่าเขาไม่มีอาการกระสับกระส่ายทุรนทุรายนะก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะมีกิจศัพ์ของเราว่าถ้าเราไปเยี่ยมคนไหนก็จะก็จะตายในวันสองวันนะนะซึ่งอาจจะเป็นคำชมก็ได้นะเวลาจิตอาสาเนี่ย ที่ผ่านการลงกระจายกําลังสงบเนี่ยไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนครปฐมหมอหมอหมอเกิลเนี่ยที่ดูแลโครงการดูแลผู้ป่วยสุดท้ายนก็จะพูดอยู่หลายครั้งเลยว่าพอจิตอานสาไปเยี่ยมแล้วเนี่ยคนไข้วาส่นสนั้นแล้วนั้นก็จะตายภายในวัน2วันซึ่งเขามองว่าเป็นข้อเป็นเป็นเรื่องดีเพราะว่าเหมือนกับว่าสบายใจแล้วพร้อมจะไปแล้วจ่มาไม่ชอบไป ไม่ใช่ว่าเราไปเล่นให้เขาตายแต่ว่าเขาคิดว่าเขาเขาพร้อมจะตายแล้วนะก็เลยจากไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แต่นี่เป็นกิจสับที่ติดมาตั้งแต่สมัยสมัยไปเยี่ยมคนใกล้ตัวที่รู้จักนะแต่ตอนนั้นเนี่ยก็แบบไม่มีประสบการณ์อย่างเช่นสุจิตราสุเดียวไกเนี่ยนะปีบาลสปีสามหเหมือนกันนะก็ได้ไปได้ไปดูได้ไปบอกได้ไปพูดได้ไปคุย แล้วก็เขาก็หมดลมภายในภายในวันนั้นเลยนะก็เป็นอย่างนี้อยู่สองสารายก็เลยเกิดกิจสัตย์แบบนี้ขึ้นมาเพราะนี่ยตอนหลังเราก็เลยเวลาได้ข่าวว่าคนรู้จักใกล้ตายเราก็ชะงากสักหน่อยนะว่าจะไปดีไหมเอเ่แต่ว่าเป็นคนที่เรารู้ดั่งจริงเราก็อไม่สนใจไปเลยแล้วก็มักจะเป็นอยงานทุกครั้งนะก็คือว่าพอสองสามวันอย่างเช่น สุภาพพรนะพอไปได้สักวัมสองวันพอกับพอจงหัดใหญ่มาถึงกรุงเทพเดินทางกับพูหลงยังไม่ทันจะถึงพูหลงแค่ปากช่องก็มีคนมารายงานว่าพรเสียชีวิตแล้วอันนี้ก็เป็นกิจิสารที่ฟังเอาไว้นะอาจจะใครจะนิมนต <laughs> ์ท่านเลยค่ะ <laughs> ก็เมื่อกี้พราจพูดประเด็นหนึ่งน่าสนใจค่ะว่าจริงๆแล้วการไปนําทางคนใกล้ตายเนี่ยไม่ต้องเป็นพระก็ได้จริงๆสามารถเป็นญาติหรือว่าคนดูแลก็ได้นะคะเฮ้ยก็เลยอยากจะเรียนถามว่าคนดูแลหรือญาติเนี่ยถ้าจะนําทางผู้ใกล้ตายเนี่ยค่ะให้เขาไปดีไปสงบเนี่ยค่ะควรจะต้องรู้อะไรบ้างที่จะทําให้ทําหน้าที่ตรงนี้ได้ อย่างแรกเลยนะ่าคือพยายามต้องต้องเข้าใจเขาเข้าใจความรู้สึกของเขาหรือพยายามที่จะเปิดใจรับรู้ความต้องการของเขาและความรู้สึกของเขาด้วยคนส่วนใหญ่ไปเนี่ยอารามิมส่วนใหญ่หลายคนไปเนี่ยเพื่อจะไปสอนจะไปแนะนำใช่ไหมแล้วก็บางทีให้กำลังใจ ในลักษณะที่ไม่เข้าใจความรู้สึก ข, ของเขาคนไข้หลายคนเนี่ยเขาจะไม่ชอบคำ ว, ว่าสู้ๆนะสู้ๆนะทําใจนะปล่อยวางนะเข้มแข็งนะใช้สิะคะดูเหมือนเราก็ให้กําลังใจสู้ๆคนบางสวนจะบอกว่ากูก็สู้อยู่แล้วคำ ว, ว่าสู้ๆนั้วเหมือนกับว่าเธอยังสู้ไม่พอ มันมีเชิงตําหนิว่าเธอยังสู้ไม่พอเธอยังไม่เข้มแข็งพอนะเข้มแข็งเอาไวนะ้นะนะมันมันมีใช้ในเชิงตําหนิว่าเขายังไม่เข้มแข็งหรือบางคนก็มีความรู้สึกว่าเขาเหนื่อยมากนะที่เขาจะต้องทําตัวให้เข้มแข็งนะเขาเองยังไม่ไหวยอยู่แล้วต้องต้องระดมพลังเพื่อมาทําตัวให้เข้มแข็งเพื่อคุณจะได้สบายใจเขาอยากจะเขาบอก อย่างเช่นกันเนี่ยการที่เพิ่งตายไปเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจะเขียนบันทึกที่ดีมากเลยนะกำลังจะพิมพ์ชื่อมะเร็งพิชชีวิตแกบอกเลา ว, ว่าความที่ต้องทําตัวให้เข้มแข็งเนี่ยมันกัดก่อนพลังข้างในมากเลยนะเพราะว่าแค่แค่ป่วยนี่ก็หนักแนละ้วและแค่รักษาใจตัวนี้ก็หนักแนละ้วยังต้องมาทําตัวให้เข้มแข็งเพื่อให้คนสบายใจใช่ไหมบางที่เขาอยากจะอ่อนแอนะบางทีเราให้คนไข้เขาเนี่ยเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นดีกว่า นะบางทีเขาอ่อนแอเราก็ยอมรับเขาอย่าตัดสินเขาเป็นเพื่อนเขาดีกว่าคือพยายามเข้าใจเขาถ้าเขาไม่กินก็อย่าไปตั้งที่ตั้งายมากนะคำพูดอย่างนี้ทุกคนไม่ชอบก็คือไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายทำไมเขาไม่ชอบฮะนะฮะฮะ เขาคนป่วยระยะสุดท้ายจะไม่ชอบคาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายไม่เป็นไรมีคนมากมายที่หายนะคนก็คนก็จะบอกว่าไหนบางขายบางวันที่หายอะ่ะเอามาดูดิคือคนที่คนทุกคนที่ใกล้ตายเนี่ยเขารู้ว่าเขาเนี่ยตายสี่งที่เขาต้องการความจริงใจและความเข้าใจมากกว่ามากกว่าคาพูดที่พูดแบบ พัน่านแต่ไม่คิดเป็นคำที่ไม่มีความหมายเป็นคำที่กลวงและคนทุกคนก็จะพูดแบบนี้กับเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายมันก็เลยเป็นคาที่ไม่มีความหมายและไม่จริงใจไงใช่ไหมมีมีการที่เขาบอกว่ามันมีคำที่ดีกว่าคำว่า ส, ส, สู้สู้สู้นะคือคำว่ารักรักนะรักเธอนะขอเกอะได้ไ้มอะไรเงี้ยนะ อันนี้สําหรับเพื่อนนะอันเนี้ยแทนนี่เราใช้คําว่าสู้เนี่ยเรามีความรักให้เขาและความรักคือหมายถึงความเข้าใจยอมรับเขาทุกอย่างอย่างที่เขาเปิดไม่ตัดสินเขาว่าแบบนี้อ่อนแอแบบนี้ไม่เข้มแข็งอะไรเงี้ยนะอันเนี้ยจะมาช่วยอย่างแรกเลยซึ่งมันจะช่วยทําให้คําพูดของเราเนี่ยไม่ไปทำร้ายจิตใจเขาเพราะบางอย่างเนี่ยเราปรารถนาดีแต่มันคำพูดเนี่ยมันมันทำร้ายจิตใจ ใช่ไหมไม่รู้ตัวอันนี้เนี่ยเมื่อเมื่อเราเมื่อเราเมื่อเราวางใจไว้ถูกนะคือเราเป็นเพื่อนเขามากกว่าไปเป็นครูสอนเขาเนี่ยามาเชื่อว่าการเปิดใจเข้าหาการจะมีและเราจะพบว่าสิ่งที่คนไข้ต้องการเนี่ยไม่ใช่แค่คนที่เข้าใจเขาแต่สืบเนื่องกันคือ คนที่พร้อมจะฟังเขาเพราะว่าคนป่วยเนี่ยโดยเพราะแรกสุดท้ายเนี่ยก็กจะมีคนสั่งมิจะมีแต่คนสั่งมีคนหน่งบอกว่าหมอก็สั่งพยาบาลก็สั่งพนักงานทำความสะอาดยังสั่งเลยไม่ต้องพูดถึงลูกไม่มีใครฟังเขาเลยแต่เมื่อก็ตามที่เราไปฟังเขานะ ในอย่างที่ที่ป้าเสียพูดเนี่ยถึงคนคร่าอยู่99เนี่ยแกก็ส่งสายตามาใช่ไหมแต่ไม่มีใครฟังเนี่ยไม่มีใครเข้าใจเพราะนะาว่านะแล้วแต่มาคิดว่าเริ่มต้นจากการเข้าใจความรู้สึกเขาแล้วพยายามฟังเขาให้มากคุยให้น้อยจนกว่าเราจะรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่เราอยากจะสื่อสารกับเขาหลังจากนั้นเนี่ยก็ก็อย่างที่แต่มาพูดอยู่เสมอนะพยายามน้อมใจให้เขานึกถึง นึกถึงพระแล้วก็ช่วยให้เขาลัทุกสิ่งนะไอ้สองประโยคนี่นะซึ่งอาตมาสรุปจากคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมันใช้ได้กับคนไข้ส่วนใหญ่ 90% ้าเซนเนนะถ้าเราน้อมจะให้คนนึกถึงพระนึกถึงสิ่งที่เขานับถือรวมทั้งนึกถึงความดีที่เขาได้ทำแล้วก็ลัทุกสิ่ง ไลห่หมดไม่ว่าข้างหลังหรือข้างหน้ามันข้างหน้าหแปลว่าจะไปไหนก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปดีแล้วก็อัลตามาก็แนัอย่างเนี่ยสองอย่างเนี่ยแล้วคนแล้วหลายคนที่เขาไปไปทำกับคนที่เขารักเนี่ยเ้าก็จะมามาเล่าว่าเนี่ยมันช่วยทําให้พ่อแม่ของเขาหรลูกของเขาเนี่ยหรือว่าสามีภรรยาเขาเนี่ยไปดีนะ อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นแนวทางทั่วๆไปกว้างๆขออนุญาตมาทางป้าสีบ้างค่ะนะคะเมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงว่าได้มีโอกาสไปเยี่ยมผู้ป่วยใกล้ตายนะคะซึ่งกรณีของป้าสีเนี่ยเขาใสว่าตอนนี้ก็มีหลายเคสทีเ่เรียกว่าอยากจะให้ป้าสีเนี่ยไปเยี่ยมนะคะเวลาที่ป้าสีได้มีโอกาสไปเจอผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็ดีใกล้ตายก็ดีเ่ย ในบทบาทของพระศีที่เข้าไปเยี่ยมกนนั้ น, นะคะ่ะพระศีลำบกใจไห ม, มอิดอัดใจไหมไนะคะแล้วก็ทำอะไรให้เขา ไ, ได้บ้างนะคะอยากทังประสบการณ์ตรงนี้ของพระศีค่ะจิตตอันทีน่จริงจะพูดตามความจริงนะคะวันนี้ไหมฮะ ตามความจริงว่าอันที่จริงคนไม่ค่อยจะได้มีใครขอให้ประสีไปเยี่ยมนะฮะส่วนใหญ่จะโทรมาปรึกษานะคะจะทำยังไงหรือว่าจะยังไงต่อไปหรือว่าจะช่วยเราช่วยอะไรประสานอะไรให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบ่อยครั้งที่ประสีใช้วิธีประสานให้ไปให้ใ ห, ให้มีแพทย์ ติดต่อนะฮะก็จะมีแพทย์ที่เต็มใจที่ว่าประสิทธจะแนะนําให้พูดกับคนไข้มันจะมีกรณีที่ญาติพี่น้องเนี่ยเขาแตกกันนะฮะเขแตกกันคือกลุ่มที่ไม่อยากจะปล่อยคนไข้ไปกับกลุ่มที่ต้องการให้คนไข้ไปอย่างสงบและตามธรรมชาติอันนี้เขาจะมีชวนเชิญให้ไปไปนั่งกับเขาวนะฮะหงกลุ่ม แล้วก็ไปคุยกับเขาฮะอันนี้อันนี้มีนะคะแล้วก็คือเท่ากับช่วยอะไรได้ก็ช่วยนะคะแต่ว่ามันมีคนไายที่ที่ไปในโครงการของท่านอาจารย์ที่ที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งที่ตัวเองรู้สึกติดใจมาทุกวันนี้นะะเป็นคนไข้ที่ เออมาจากไกลแล้วก็ลูกกับสามีมก็ไม่ไม่สามารถจะมาเยี่ยมได้นะคะเป็นคนไช้ที่ไม่ไม่มีอะไรว่างั้นนะคะแล้วกเ็เขาก็คงเหลืออีกไม่กี่วันนะแต่ว่าเวลาที่ได้เรียนรู้จะกเขามากเลยก็คือว่า เขาต้องการจะเชื่อในสิ่งที่เขาอยากจะเชื่อเขาจะเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็กลับไปบ้านแนละ้วเขาขอเขาสารเราเพื่อว่าจะเอาเพื่อจะเอากลับไปให้สามีกับลูกเขาขออ่าเื้อแล้วก็สิ่งที่เราเห็นมากเลยก็คือความแฉะที่ปล่อยออกมาอะไรเนี่ยค่ะ ออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาชอบพเขามีความสุขที่เราถามเขาว่าเขาร้องเพลงได้ไหมนะคะทั้งๆ ท, ที่เขาไม่ไหวแล้วเนี่ยหรืออยากจะสวมดมนต์นะคะเขาบอกว่าเขาสวมดมนต์เป็นสวดอะไรสวดอิติปิโสถ้างั้นเราสวดได้กันไหม แล้วเราก็สวดด้วยกันนะฮะวันนั้นมีนม่ชีที่ฝึกด้วยกันเนียไปด้วยแล้วเราก็สวดอิติิสปิโสด้วยกันมันมันเป็นการสวดที่ที่รื่นรมเพราะคนไข้จะมีความสุขที่จะสวดหน้าตายนเย็้ยะสาหรับเขาเนี่ยมันเป็นคล้ายๆร้องเพลงเนี่ยนะคะแล้วเราก็สวดไปกับเขาอะไรกับเขาแล้วก็วัวร้อง ก, กับเขา เรามีความรู้สึกว่าจากเทสนั้นนะคน ะ, ะเราทราบว่าเขาคงจบในวันสองวันนั่นแหละเพราะว่าถ้าเย็นสภาพเนี่ยมันไม่ได้แล้วแล้วเขาก็อยากจะทานโน่นอยากจะทานนี่นะคะเราก็รู้ว่ามันทานไม่ได้แต่เราก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปเอาให้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้เป็นการเรียนรู้สำหรับตัวเองมากเลยว่าแม้กระทั่งในช่วง สุดท้ายของชีวิตเนี่ยเราคิดว่าลึกๆเขาก็รู้อว่าเขาไม่ได้จับบ้านแต่เรารู้สึกว่าความสุขของเขาเนี่ยก็คือการเชื่อสิ่งที่ตัวเองอยากจะเชื่อค่ะแล้วก็เราก็ไปกับเขาค่ะเราก็ไปกับเขาแล้วก็ต้องยอมรับว่าอยู่กับเขาวันนั้นชั่วโมงหนึ่งมั้งเกือบๆได้อยากออกมาเลยนะคะคือเอ่อ จะบอกว่าอย่างไงทำไมเราเรารู้สึกว่าเขาสุขที่เรามีเราอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็รู้สึกสุขที่เราอยู่กับเขาตรงนั้นเขาให้ความสุขเราด้วยนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ที่น่าสนใจมากเลยเพราะฉะนั้นการเยี่ยมก็เลยรู้ว่าการเยี่ยมในระยะท้ายเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหร้ จำได้ว่าเข้ามาจากแมาจักรแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของอีกหลายๆอย่างนะคะเวลานี้อย่างคนที่ติดต่อมาให้เราช่วยประสานอะไรหรือปรึกษาอะไรหรืออะไรเหล่านี้สิ่งหนึ่งที่เราจะบอกเขาบอกเออถ้าอยากจะทําบุญที่ตรงจุดนะกับญาติเขาที่กําลังเสียชีวิตเนี่ยติดต่อบริษัทแพร์เพิร์ใช่หน่อย แล้วก็ให้บริษัท p a มเ e r s ์สเนี่ยส่ง p a ม p e r s ไปให้โรงพยาบาลต่างจังหวัดโรงพยาบาลไหนก็ได้มันมีคนไข้ทั่วไปหมดเลยที่ต้องการเพราะว่า Pampers ไม่ได้อยู่ใน อ, อะไรฮะที่เบิดได้อะเพราะฉะนั้นนทุกขกับทั้งพยาบาลทุกกับทั้งคนไข้เนาะพยาบาลเงินเดือนก็ไม่ได้มากไม่อะไร ควักกระเป๋ากันตลอดแล้ว哈ซื้อแทนเพื่อเพราะว่ามันเละดังทีอะไรเงี้ยค่ะอ็นดี้นอกเรื่องยังยังอยู่ในเรื่องอยู่เลยนะคะก็คือว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนกสิกรนอกจากจะเป็นอจะเรียกว่าเป็นเป็นผู้ที่สื่อสารเรื่องความตายเนาะกสียังทําหน้าที่เป็นคล้ายๆเป็นผู้ประสานงานเป็นช่วยศึกษาหรือคอยให้ความช่วยเหลือคนใกล้ตานด้วยนะคะในมุมที่เราสามารถทําได้ ทีนี้เนี่ยเพื่ออยากจะรู้ต่อไปว่าการที่เราได้มีโอกาสได้ช่วยหรือได้ทำสิ่งเหล่านี้ให้กับคนใกล้ตายไม่ว่าจะเป็นในฐานะที่ให้ความรู้ให้คาปรึกษาคาแนะนำหรือช่วยประสานงานก็ดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์นยังไงกับภาษีในเรื่องของการปตรีตัวตายบ้างก็ไม่ได้เคยคิดถึงประโยชน์นะแต่ว่ า, ามันทำให้ ตอนนี้ชีวิตรู้สึกจะใช้คําว่ามั่นคั่งหรือรุ่งรวยก็ได้นะคะมันมันร่่งรวยด้วยว่าเออเพราะเราทําเรื่องนี้มันก็เลยทําให้คนเนี่ยเขาขอบคุณสิ่งที่เราทำนะไม่ใช่ขอบคุณเราแต่สอบเจ้าประทําเพราะว่าคนที่เป็นที่รักของเขาเนี่ยไปได้อย่างดีที่สุดที่จะเป็นไปได้ แล้วก็ตัวเขาเองเขาไม่มีความเสียใจไม่มีที่ภาษาอังกฤเรียกว่า regret นะะแล้วประสพบว่างานของประสีเนี่ยมันมันขยายและขยายขยายเวลาที่ขยายมากจนทั้งซุยทัทงทงทงทง้งทจงาร์ทราบว่ามันก็กำลังจะกลายเป็นอะไรที่กว้างขึ้นทุกทีเพราะว่าผู้ที่มี คนที่ตัวเองรักแล้วเสียชีวิตแล้วตัวเขารู้สึกสบายใจในการดูแลนั้นเนี่ยนะคะเขาก็มาช่วยงานเราช่วยนู่นนี่จนมันกำลังจะกลายเป็นองค์กรอยู่แล้วะค่ะคือหันไปทางไหนก็มีคนที่พร้อมที่จะเข้ามาช่วยจนกระทั่งตอนนี้ป้าสีบอกว่าปสี คิดว่าพระษีส่งต่อได้แล้วอ่ะแล้วไม่ใช่ตอบกับคนคเดียวมันเป็นกลุ่มนะคะมันเป็นกลุ่มแล้วที่มันชื่นใจที่สุดเข้ามาด้วยใจจริงๆนะคะจนสามีถามว่าแล้วคุณไปหาคนอย่างนี้มาได้จากที่ไหนกันคือมันไม่ได้ต้องหาเลยค่ะมันเหมือนมันเหมือนดึงดูดเข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นความตายเนี่ยมันมีเสน่ห์ของมันใช่ไหมอาจารย์มันมีนะ ห้าแล้วกออ็คำว่าประโยชน์ น, นึกไม่ออกอะนะแต่ว่าคำว่ามันก็เป็นประโยชน์โดยเราไม่รู้ตัวนะมันมันก็อบอุ่นแล้วก็มันก็รู้ว่าสิ่งที่เราเริ่มเอาไว้หรือแตะเอาไว้เนี่ยมันมันมันเป็นส่วนหนึ่งของของโลกอ่ะไปแล้วจริงๆรับมาจากท่านจ๋า <laughs> กต่อการและการแล้วป้าสิ่งมีฝันอะไรที่อยากระทําเกี่ยวกับเรื่องการเปลียนตัวตายนี้บ้างใหมคะในช่วงในช่วงนี้หรือในช่วงเทืทอตอนนี้มัน<ไ>มันกําลังจะกลาเป็นสิ่งที่เรียกว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะกําลังจะไปจดทะเบียนอันที่จริงเดิมจะจดวันที่5้า่นี้เขาบอกว่ า, วาป้าสิงต้องอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้จับมุงเทพก็ขงจะจดวันที่11ในี่หละฐานเป็นจดทะเบียนเขาเรียกว่า วิสาจิตเพื่อสังคมนะ ค, ะคื อ, อ, อมั น, อมนอตอนนี้เราก็จะขยายอการอบรมของท่านอาจารย์ออกไปในองค์กรใหญ่ๆละนะค ะ, ะเขาว่ากันว่าคนรวยที่สุดก็จะทรมานที่สุดอีทอนตายแล้วทรัพย์สินจะลดหวบแล้วก็ลูกหลานจะชากันอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเดือนปีๆอะไรเงี้ยนะคะก็ตอนนี้ เราก็คงจะเราองค์กรนี้เนี่ยนอกจากจะสนับสนุนเรื่องงานวิจัยทางด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียและการตายเนี่ยนะคะแล้วเราก็อาจจะมีทุนบ้างสําหรับแพทย์โรพยาบาลไปดูรายงานไปดูงานต่างประเทศที่เขามีอาชบว์โฮสปิสเป็นเรืเวลาแล้ ว, ลวเราก็อันที่จริงมันเริ่มแล้วก็คือการจัดอบรมค่ะ ที่ประสิทธิ์ตอนแรกก็ทําที่บ้านนะคนป่วยคนอะไรก็มาอยู่เต็มบ้านประสิทธิ์เนี่ยแล้วเราก็ทําด้วยการเป็นวันเราก็ได้ผลดีมากจนกระทัง่งมีชุมชนคนป่วยที่เข้าดูแลกันเองสนับสนุสนกันเองมันขยายไปขยายมาจนถึงว่าวันดีคืนดีได้นะมีมีธนาคารผู้บริหารธนาคารเข้ามาตอนนี้ผู้บริหารธนาคารกลับไปเสนอธนาคารว่าการอบรมนี้ เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นสิ่งตอบแทนให้กับลูกค้าระ ด, ดับสูงของเขาซึ่งเป็นลูกค้าที่มกักจะทรมานจากการยื้อชีพที่สุดนะมันแปลกมากเลยค่ะและตอนนี้เขาชมขึ้นมาเป็นเป็นโครงการที่เราสามารถเข้าไปอบรมในธนาคารได้เลยนี่เป็นธนาคารแรกนะฮะพูดชื่อเขาได้เลยธนาคารากสิกรไทยกําลังจะอบรมกันเป็นครั้งแรกกับผู้บริหารระดับสูงในวัน ที่ส4ี่ที่จะถึงเนี่ยคราวนี้เขาก็จะให้ค่าอบรมกับวิทยาวิสาหกิจเพื่อสังคมนี้เรามีส่วนที่เป็นจำไรเราก็จะเอาไว้ใช้กับการอบรมที่ไม่ต้องสำหรับผู้ที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วมันก็จะไปอย่างนี้ค่ะมันน่าสนใจมากเนาะมันน่าสนใจที่ว่ามันเหมือน มันเหมือนลธารเล็กๆเนี่ยที่มันขยายและข ย, ยขยายขยายโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มีบริษัทใหญ่ๆเริ่มสนใจ เ, เข้ามาอันนี้มันก็จะทำให้เราสามารถเ อ, อ เ, ออเอาไรายได้จากผู้ที่มีสตางค์มาทําให้เราทํางานกับกับชุมชนและอื่นๆอันนี้ไม่ใช่ความสามารถของภาษีเลยจนนิดเดียวนะคะเขามาจนเอง ก็บบสีคุณอันหนงที่น่าสนใจเมื่อกี้ก็คือว่าเรื่องงานความตายมันมีเสน่นะคะแล้วพอทำไปเรื่อยๆนะคะนี่เองได้มีโอกาสรูสร้จักก็สีก็เป็นสิบ ป, ปีแล้วเหมือนกันนะคะนะคะตั้งแต่ก็สีมาคุยเรื่องอยากจะทำอบรมเกี่ยวกับการเตรียมตัวตายนะคะแล้วก็มาถึงวันนี้เนี่ยทราบว่ามีคนที่เข้ามาเป็นแฟนเพจก็สีนยียเยอะมากนะคะ หลายคนไม่ได้เจอหน้าค่าตาเป็นการส่วนตัวเลยแต่ได้พูดคุยได้สื่อสารกันเราก็ได้สนับสนุนให้เขาเนี่ยได้ตายดีนะคะแล้วก็ทุกคนก็รู้สึกขอบคุณมากที่มันมีพื้นที่ตรงนี้ค่ะพื้นที่ที่มีคนที่เราจดศึกษาได้พื้นที่ที่เราจะขอข้อมูลหรือขอกาลังอะไรได้นะคะแล้วก็ขอโทษค่ะเชิญ<อ>ค่ะพร ข, <อ>ขอส ก, กัดที่ดี <c oughs> ที่จริงพระศรีนี่เป็น เป็นส่วนที่ต่อเนื่องจากเครือข่ายพฤติการนะคะถ้าไม่มีเครือข่ายพฤติการภาษีก็คงไม่ได้เริ่มเรื่องนี้นะคะ่ะอันที่จริงมันเหมือนลําธารที่ขยายใช่ค่ะก็คือจริงเห็นด้วยกับภาษีเลยค่ะว่าพอทําไปสักระยะหนึ่งเนี่ค่ะพอคนเขาเห็นว่าสิ่งที่ภาษีทำเวทีการเครือข่ายพฤติการทําก็ดีเนี่ยมันมันได้ประโยชน์มันได้ประโยชน์ทั้งกับ คนที่เขากําลังจะตายและครอบครัวที่ต้องดูแลผู้ใกล้ตายเนี่ยค่ะตัวคิดว่าสิ่งที่มันมันรับรู้ได้ด้วยท่างในว่าสิ่งนี้มันมีคุณค่ายังไงเหมือนที่เราคุยกันเมื่อวานเนาะมันไม่ได้มันไม่สามารถบอกได้ว่าเออมันมันสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันช่วยยังไงแต่มันรับรู้ได้ว่าไม่ว่าผลสุดท้ายเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรนะคะแต่การที่มีใครคนหนึ่งหรือหน่วยงานหนึ่งหรือ มีคนที่เขารู้ว่าสนับสนุนเขาเพื่อให้เขาข้ามผ่านช่วงเวลา ย, ยากๆตรงเนี้ด้วยว่ามันมีคุณค่ามันมีความหมายกับชีวิตแล้วมันทําให้หลายคนเนี่ยก็จะมาฐานประษีต่อว่ามีอะไรให้เขาช่วยบ้าง น, นะคะและนี่คงเป็นเหตุหนึ่งบางกาที่ทําให้สิ่งที่ภาษีทำจากลําธารสายเล็กๆตอนนี้มันก็เริ่มเป็นลําธารที่ใหญ่ขึ้นนะคะโดยหวังว่ามันจะ ทำให้สังคมไทยค่ะด้วยคิดว่าจะเข้าถึงการตปดีน่ได้มากขึ้นนะคะซึ่งด้ขออนุญาตโฆษณาแทนภาษีเลยค่ะนะคะว่าวิสาหากิจที่ภาษีจะกำลังจะทำตอนนี้ค่ ะ, ะชื่อว่าบริษัทชีวามิทวิสาหากิจเพื่อสังคมนะคะหรือโซเชียลแอนด์แร์ไรส์นะคะซึ่งก็จะเป็นองค์กรที่ตั้งใจจะ ช่วยสนับสนุนให้คนเนี่ยค่ะได้รับการดูแลในช่วงระยะท้ายนะคะแบบปักกับคอนะคะแล้วก็มีความตระหนักรู้ในเรื่องของการเตรีมตัวตายด้วยนะคะและอย่างที่ประสิกูรุษครูว่าอาจจะมีเรื่องของการงานวิจัยเรื่องกันให้การให้ทุนศึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะทําให้สังคมตื่นตัวในเรื่องนี้และมีทางเลือกในการที่เขาจะตไปดีได้มากขึ้นนะคะซึ่งเราคิดว่าอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่อของสังคมไทยที่ มีมีมีคนแบบนี้ค่ะนะคะทีเ่เรียกว่าถือ่เป็นตัวแทนของภาคประชาชนคนนึงซึ่งลุกขึ้นมาทำอะไรแบบนี้เราเราก็หวังว่าจะมีภาคส่วนต่างๆมาสนับสนุนเพื่อที่จะให้มันมีทุนหมุนเวียนในการที่ทำงานเรื่องนี้ต่อไปนะคะอันนี้ที่ก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องดีที่ควรบอกดังๆว่าตอนนี้ภาษีกับ ทีมงานนกําลังทําเรื่องนี้อยู่นะคะและทุกท่านคิดว่าไม่ต้องเป็นแค่ภ้าศีคนเดียวที่ทําเรื่องนี้พวกอยู่ในที่นี้ก็ทําเรื่องนี้ได้นะคะซึ่งถ้าคนคนครสวรรค์หรือคนที่อยู่ในจังหวัดประสางแล้วบอกว่าฉันอยากจะทําแบบนี้บ้างไม่คิดว่าเราสามารถเข้ามาเป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วต่อไปเราก็จะมีองค์กรที่ทํางานเรื่องนี้ค่ะกระจายอยู่ทั่วประเทศนะคะตัวชี่อันนี้เป็นเรื่องดีมาก ก็ต้องขอบคุณภรสีมากที่แบ่งปันเมื่อสชู่่นี้นะคะเดี๋ยวที่จะกลับมาอีกออรอบสุดท้ายให้พระสีนะคะแต่ว่าจะไม่มีคําถามนะคะที่จะทิ้งเอาไว้ให้พระสออีอยากจะแบ่งปันเรื่องอะไรเกี่ยวกับ เ, เรื่องของหัวข้อในวันนี้หรือจะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับหัวข้อวันนี้แต่เป็นเรื่องที่พสีแบ่งปันอยากจะแบ่งปันไงเดี๋ยวที่จะมีเวลาให้พระสีอีกประมาณ10นาทีนะคะ แต่ว่าช่วงนี้จะขออนญาตกลับมาที่พระอาจารย์ภัยาค่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้พระอาจารย์ได้พูดถึงการไปเยี่ยมผู้ป่วยใกล้าตายนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยรู้ยิดว่าหลายคนในที่นี้เนี่ยก็คงเผชิญสถานการณ์คล้ายๆกันก็คือว่าความตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดูเหมือนกับเป็นเรื่องที่เราเรารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับชีวิตนะคะแต่พอพูดเรื่องตายทีไรเนี่ย มันก็มั่นใจมีความหวั่นไหวในใจนะคะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราไม่รู้จะอยู่กับมัน ย, ยังไงนะคะ mm hmm. ก็เลยอยากจะออขอคําแนะนำจากอาจารย์ค่ะว่าเวลาที่ความตายเนี่ยมันเข้ามาประชิญกับเราเนี่ยในมิติใดมิติหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเราต้องสูญเสียคนที่รักก็ดีหรือเราพบว่าชีวิตเราเหลือเวลาอีกกรักก็ดีนะคะเราจะอยู่กับความตาย กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าอาข้างในเราอ่ะมันมีความพร้อมหรือว่าอย่างน้อยมันก็ยอมรับได้ว่าสิ่งเนี้กำลันเกิดขึ้นและเราไม่ขัดสายมันนะเราจะทำยังไงดีเจ้าค่ะนมุมค่ะคือความตายมันเป็นอะไรหลายอย่างเป็นทั้งความลึกลับ เป็นทั้งความน่ากลัวแล้วก็ียวกันมันก็เป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันสามารถจะเปิดหูเปิดตาเปิดใจเราได้ความตายนี่มันมันคือสิ่งที่ช่วยขยา่ามันมีพลังในการขยา่าจิตใจและชีวิตของเรามากทีเดียวทำให้เราเนี่ยไม่ลงล่องจริงๆถ้าคนเราเนี่ยถ้ไม่ไม่ได้ถึงความตายของตัวเองหรือของ ความตายคนที่เรารล้างเี่ยเราก็ใช้ชีวิตแบบลงร่องมาใจชิดแบบที่เคยทําเมื่อวานทําอย่างไรปีที่แล้วทำอย่างไ ร, งไรวันนี้ก็ทําอย่างนั้นแหละแต่ว่าความตายมันมันเขยา่าแต่ทําให้เราเนี่ยจะเรียกว่าชะลาดใจหรือว่าจะลงร่องแบบเดิมๆไม่ได้ซึ่งในแง่หนึ่งมันอาจจะทําให้เราเกิดความตื่นตัวเกิดความชีวิตชีวาขึ้มนมาได้ด้วยซ้ำ ยังมีมีนักดนตรีคนหนึ่งนะแกเป็นนักดนตรีชาวอังกฤษแกป่วซึมเศร้าแล้ววันหนึ่งไปตรวจพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งมะ เ, เร็งแบบยึดเสียบจอดเลยเอาชื่อวิวโกจสันแล้วก็เสียงรู้จักไหมฮะเขเป็นนักดนตรีแนวแนวแนวพังนะเฮฟวี่เ ชาวเมือเปรตเป็นมาเล็กมาสติวจ็อบได้ไม่ไม่นานอออมาจา้าโรงพยาบาลนี่มันโมมีชีวชีวามากเลยรู้สึกสายลมที่พัดมากระทบนี่มันสวยใบไม้ที่ร่อนคว้างนี่ก็นดงามผีเสือ้อที่เห็นเนี่ยมันเขาบอกเช่านั้นเป็นความรู้สึกมันเป็นมัเนเช้าที่งดงาม ทุกอย่างที่เขาเห็นทุกอย่างที่สัมผัสตัวเขามันพิเศษไปหมดเลยทั้งที่สิ่งที่มันสัมผัสหรือสิ่งก็่เราเห็นเป็นเรื่องธรรมดาสามัญแต่เขาบอกว่ามันเป็นความสเป็นพิเศษมากถึงกับคิดถึงกับนึกคือมาทําไมมันไม่มีมันไม่อยู่แบบนี้มาก่อนเขาบอะไรจะตายแต่ว่าความตามมันทําให้เขาตระหนักไลยนะว่าเฮ้ยแกจริงได้ไม่นานนะวันแต่ละวันี่มันมีค่านะวันอย่างนี้เนี่ย มันจะไม่มีอีกแล้วในอีกไม่กี่เดือนข้นางหน้าแทนที่จะปวดหูนะกับสดชื่นมากเลยและโรคซึมเศร้าหายอันนี้ก็เป็นกับคนหลายคนนะมีคนเป็นมะเร็งแลวพอจะเป็นมะเร็งเนี่ยจะพูดว่าโอ้มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเพราะว่าให้โรคซึมเศร้าเนี่ยหายเหมือนกันคนไทยนะเป็นผู้หญิงจะบอกเนี่ยมะเร็งนี่มันเลวร้ายกว่าและมะเร็งเนี่ยมัน มันสู้โรคซึมเศร้าไม่ได้โรคซึมเศร้าที่เลวร้ายกว่าเขาเคยที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยพยายามฆ่าตัวตายมาแล้วสามครั้งก็โรคซึมเศร้าแต่พอเป็นมะเร็งนะสยซมเศร้าหายเลยหมอเนี่ยยังแปลกใจเลยถามว่าชีวิตคุณเนี่ยทัศนการมองโลกคุณทัศนการมองชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะหลังจากที่คุณเป็นมะเร็งเนี่ยรเราจะมาคิดว่าเนี่ยความตายเนี่ยมัน มันก็มีเสน่ตรงนี้ยคือบางทีมันขยาวให้คนที่มันเบื่อนายเซ็งโหดปูกระชี้เนี่ยมันตื่นขึ้นมาแล้วพบกับความมีชีวิตชีวาหรือว่าไอที่เคยทําใช้ชทิปแบบสังกตายเนี่ยมันแปรเปลี่ยนไปงั้นมอลในแง่นี้เนี่ยมันมันเป็นตัวตัวตัวกระตุน้นตัวขยาที่ดีมากคราวนี้เนี่ยถามว่าทํำยังไงเนี่ยเมื่อเราพบ ว, ว่าความตายกําลัง ข้ามาใกล้ตัวเราอตรตมาที่ว่าอย่างแรกที่สุดคือยอมรับยอมรับความจริงตรงนี้ให้ได้อรรมาประทับใจนะคนที่ชื่อกันบุญชามเมื่อกี้ทีพูดไปแล้วกันเนี่ยเขาก็สูญเสียที่แบบเมื่อกี้ที่แล้วเป็นมะเร็งซึ่งหาได้ยากเกิดที่คนแก่เขาเอาอยุแค่สายสองเป็นมะเรงษษษษ็งกระพาะปัสาวะที่แล้เขาตัใจไม่ได้เขาบุยิดเขา บวยวายปีโพตีพคงมันกัหลายๆคนทำไมต้องเป็ น, นชายหมโทษโรงพยาบาลโทษหมอที่ไม่สามารถจะสแกนพบโรคนี้ซีสเคสแกนไม่เห็นนะไม่รับเชืิญซีสเคกนเห็ตนเลื่อนเนี่ยมันออกมาทางกระสวะจึกระทั่งตัวแล้วตัวยตกระทั่งยืนยั น, น ว, วน่าเป็นจะตอนลังเนี่ยแกพักผ่อนไปหนึ่งปีในี่ยแกนิ่งเลยใจแ ก, แกสงบไม่มีไม่มีอารมณ์จิต ก, กัดใคย นี่คือความสุขแบบติดขัดติดกัดไทยคือบอกว่าความจริงเนี่ยโหดร้ายก็จริงแต่การไม่ยอมความจริงเนี่ยโหดร้ายกว่าเพราะมันเปลี่ยนเป็นคลุกคลีขังติดใจเอาไว้พะพูดติมากเลยนะความจริงโหดร้ายแต่การไม่ยอมรับความจริงเนโหดร้ายกว่านะแล้วก็กันเนี่ยเขายอมรับความจริงได้ว่าขเขาเป็นมะเร็งแล้วเขากำลังจะตายเนี่ยใจมันสงบเลย แต่ระมาณคิดว่าอย่างแรกที่ต้องทํานะคือยอมรับให้ได้เพราะถ้าเรายอมรับได้เนี่ยความตายเนี่ยมันจะหมดพิษสงไปเยอะความตายมันมีพิษสงเนี่ยเพราะเราไปแา่หน้าขึ้นมันไปแห่แหนหน้ากับมันเราไปแห่หน้ากับมาด้วยการที่เรากลัวเราไม่ยอมรับแต่พอเรายอมรับมันกุนเนี่ยนะมันจะหน่ากลัวน้อยลงแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เพียงแต่ทําใจหรือวางใจอย่างชื่อหัวข้อนะงานเนี่ย เราไม่เพียงแต่วางใจด้วยการยอมรับความจริงแต่ว่าเราพยายามที่จะทกิจ ด, ด้วยไม่ใช่แค่ทำกิตทํากิตก็คือว่าทําความดีส ร, ร้รางบุญสร้างบุญศลนรวมทั้งทําหน้าที่ที่เราดีอย่าให้มันค้างคาบางอย่างเนี่ยหน้าที่บางอย่างเราก็รู้ว่ามันดีมีประโยชน์มีคุณท่ามีความสำคัญแต่เราก็พันผ่อนเช่นหน้าที่ต่อคนรักความรบับผิดชอบต่อพอ่อแม่บุพการี ถ้าเราพยายามทําให้เวลากับคนที่เรารักมันก็ช่วยทําให้เราเนี่ยถึงเวลาที่เราเราจะเราจะตายเนี่ยมันก็ไม่มีความโผงร่าไรก็คล้ายกับบล็อกเกจิสนั้นแม้กรทั่งบางทีอยากจะไปเที่ยวหรไปอยากจะไปคืนดีกับใครเนี่ยรีดทําครับเพราะว่าถ้าเราถ้าเราทําโดยไม่ผัดผ่อนเนี่ยถึงเวลาจะตายมันก็ไม่มีความเสียใจไม่ไเสียใจว่าเราทําไมไม่ทําอย่างนู้นทำไมไม่ทำอย่างนี้ รงทังการฝึกจิต ด, ด้วยการฝึกจิตเพราะว่าจริงๆความตายมันไม่น่ากลัวแต่ก่อนตายเนี่ยอาจจะน่ากลัวเช่นความเจ็บใช่แต่การฝึกจิตเนี่ยมันช่วยทำให้เรารับมือกับมันได้ความเจ็บปวดบางทีเราจะ พ, พึ่งหมอก็ไม่ได้พึ่งยาก็ไม่ได้เพราะว่ายาก็เอาดีแต่ว่าใจที่สึกไว้ดีเนี่ยเอาอยู่เอาอยู่ไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้แปลว่า ขับไล่ความเจ็บปวดให้เกิะเจริญไปไม่ใช่แต่ว่าอยู่กับมันได้ในลักษณะต่างคนต่างอยู่กายปวดไปแต่ใจไม่ทุกนะกายปวดก็เป็นเรื่องของกายไปใจไม่ใจไม่ไปงองยอแยววแย่กับมัน ต, ต่างคนต่างอยู่ไปอันนี้เรียกว่าวางใจเป็นนะแต่ส่วนใหญ่วางใจไม่เป็นนะพอกายปวดใจก็ไปต่อไปจดไปยึปักไปยึด ไ, ไปตึงเอาความปวดสังเกตว่าเวลาเราปวดนี่นะ เราปวดแค่จุดเดียวนะอีกกรส99จุดในร่างกายเราไม่ปวดนะแต่ใจเนี่ยมันไม่สนใจกรส99จุดที่ไม่ปวดนะมันจะจอยตรงไอ้จุดที่ปวดนี่แหละใช่ไหมกะเพาะเป็นแผลหรือปวดท้องแต่อย่างอื่นนี่หมดเลยใจไม่สนใจมันจะจดจ อ, อยตรงที่ปวดนะเวลาหนาวหนาวเนี่ยนะเราคุมเรามีภ้าคลุมทั้งตัวเลยอาจจะเหลือแค่ใบหน้าหรือแค่นิ้วเนี่ยใจมันอยู่ไหน มันอยู่ในมันอยู่ในร่มผ้าหรืปล่าปรามมันอยู่ในตรงที่มันไม่มีภาพทุกขซึ่งเป็นแค่สิบหรือห้าเปอร์เ็นตของร่างกายในที่ร่างกายยิ่งเจ็บยิ่งปวดมันยิ่งไปจนจอดอันนี้เรียกว่าวางใจไม่เป็นนะครับถ้าวางใจเป็นมัใจมันจะไปอยู่กับตรงที่มันอุ่นใจมันจะไปอยู่กับตรงที่มันสบายนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราเราวางจิตวางใจเป็นเนี่ยปวดกายก็ปวดไปนะใจไม่ทุกข์ใจก็เป็นปกติ ซึ่งอันนี้ตามาคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรต้องศึกด้วยถึงที่สุดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายอย่างไรนะเราเป็นมะเร็งแต่เราจะตายที่อย่างอืนก็ได้อาจจะตายอย่างวันที่สองธันวาสองม ก, กราก็ได้ลูกข่าวใช่นหมสองม ก, กราเกิดอะไรขึ้นเวลาตามาอ่านข่าวพวกนี้นะก็นึกถึงตัวเองนะเออถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยรถอะไรนะั้นรถตู้ไปประสานงานกรืรถรถกระบะ ถูกไฟครอบตายทั้งหมดเลย25คนนะรถตู้14คนรถกระบะ11คนบางทีอาา่านค่าวดูแล้วเนี่ยเราก็มันจะถึงว่าถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเราจะทำอย่างไรใครจะไปรู้เป็นมะเร็งแต่ว่าไปตา ย, ยางั้นก็ได้ไม่มีใครที่จะเลือกได้และถ้ามันอยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยคําถามคือเราจะวางใจอย่างไรเราจะกำจ่ายให้สมุก เราจะทำใจยังไงให้มันเย็นถึงแม้ว่าไฟมันลุกท่วมตัวโอ้ยมันท้าทายมากเลยถ้าเราคิดแบบนี้นะเราเจ้าเสริมันต้องฝึกจิตนะมันต้องฝึกต้องภาวนานะเพราะว่าเราเลือกที่ตายไม่ได้เราเลือกสาเหการตายไม่ได้มันที่เราพูดถึงเรื่องว่าคนถึงจะตายใช่ไหมบางทีเราต้องถามตัวถ้ถาเราจะตายเนะี่ยเราจะอยู่กับมันได้อย่างไร แน่นอนการยอมรับสิงที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นระดับเลยและหลังจากนั้นเนี่ยทำยังไงใจจะไม่ทุกข์แม้ว่ามันจะเกิดทุกข์ทรมารย์วเวลาเจอเรื่องมันทีตองนึกถึงพระนางสามาวดีนะที่โดนไฟครอกตายนะก็ถูกแกล้งถูกนามาคัียาแกล้งแต่ว่านางสามาวดีนะก็ไม่โกรนนธนามาคดีาแลวก็ยัง อยังวางใจได้อย่างถูกต้องคือนอกจากไม่โกรธแล้วก็ยังเจริญสติภาษาภาษาในภระาติดลมว่าเอาเวทนาเป็นอารมณ์เวทนาคืออะไรทุกคนเวทนาเอาก็คือดูแว่น ด, ด, ดูทุกคนเวทนาที่มันเกิดขึ้นกับกายแต่ว่าใจนิ่งมากนะใจนิ่งจนกระทั่งศพตามเป็นต่อตโกแต่ว่าก็เจเ้าสนับสนุนการตายของการสมอถึงจเป็นการตายที่นิ่งงดงามที่ไม่สุดเปล่า มันทำได้นะถึงแม้ว่ากายจะเป็นทุกขเวทนาไงเนี่ยแต่ว่าใจเนี่ยสงบธรรมะคิดว่าเนี่ยเวลาเราเวลาเรานึกถึงความตายเนี่ยอยา่านึกถึงความตายของคนที่เรารักอย่างเดียวนะนึกถึงความตายของเราซึ่งมันจะมาในรูปไหนก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเราฝึกเอาไว้ดีฝึกจิตเนี่ยนอการทําความดีทำหน้าที่ ท, ที่ที่ทำที่เราผิดชอบให้ไม่ให้ค้างคาแล้วเราฝึกจิตไปด้วย การที่เราจะฝุดจิตได้อย่างต่อนเนื่องเนี่ยก็ต้องเจริญพลัสติที่ถึงความตายอยู่เสมออย่างเช่นอ่านข่าวพวกนี้แล้วเนี่ยดูข่าวพวกนี้แล้วก็นึกถึงว่าถ้ามันเกิดกับเราเลยทํำยังไงอันนี้มันไม่ชวนให้หูุหงิดนะมันขยา ว, ว่าจะสบายแบบวันนี้อย่างทุกๆวันไม่ได้แล้วนะไม่รู้จะตายยังไงเนี่ยต้องต้องทำอะไรมากกว่านี้นะใชะะ่ไหมต้องภาวนาให้มากกว่านี้นะเนื่นเรากว่ามันขยาวมันจะไม่ทําให้เราช้าราดใจหรือว่า ลงล่องมันมันประเสริฐแบบจะลกๆนี่ในะความตายนะฮะแล้วถ้าเรา ท, นะทํานะทําเดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอว่าตายแล้วสิ่งกิจจะได้ไประโยชน์เพราะเราอาจจะไม่ตายแบบนั้นก็เราจะตายประสงค์ก็ได้ตายแบบเล่นตังก็ได้นะแต่ว่าตลอดเวลาที่เราปฏิบัติมาเนี่ยเราก็มีความสุขนะโปร่งเาปาก็ระวังใจเป็นและเราทํากิจ ด, ด้วยผู้ชายทำกิจก็ก็ทํากิจได้ครบถ้วน ทาคุณท่านอาจารย์นะคะซึ่งมีเวลาเหลืออีกประมาณสีนาทีนะคะเอ่อซึ่อยากจะทิ้งโจทย์ว่าให้ทั้งสองท่านเนี่ยค่ะอาจจะใช้เวลาคนละประมาณห้านาทีนะคะเอ่อให้สามารถที่จะบอกสิ่งที่อยากจะบอกนะคะเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าวันนี้คือการพูดครั้งสุดท้ายหรือเป็นการบรรยายครั้งสุดท้ายเนี่ยค่ะ ทั้งพระสีแล้วก็พระอาจารย์นะคะอยากจะบอกอะไรกับพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเเมื่อเป็นลาสทอนะของภรสีนะคะ่ะในเวนลาห้าหนาทีเนี่ยภระสีอยากจะบอกอะไรคนตรงนี้นะคะ่ะที่มาไกลเหลือเกินนะคะบางคนมาจากสุราษรบางคนมาจากเชียงใหม่บางคนมาจากเชียงรายบางคนก็อยู่แถวนี้เองนะคะแต่ก็เพื่อมี็โอกาสเข้ามานะะระสีอยากจะบอกอะไรนะคะเชิญเลยคะ่ะ แตบไม่ให้เตรียมตัวเลยนะคะคอยากจะบอกว่าขึ้นมาทันทีเลยอยากจะบอกว่ามีคนที่เข้ามาหาประสิและบอกเป็นแฟนประสิหลายคนมากกันนะคะแล้วมาให้เซนชื่นแล้วก็ชื่นชมพระสิคงอยากจะบอกว่าอันที่จริงปสิมันจะเป็นคนพิเศษอะไรเลยในชีวิตกาไม่ได้ทำอะไรที่มัน ถูกต้องไปหมดแม้กระทั่งทุกวันนี้จิตใจที่ว่าปฏิบัติมายาวนานก็ก็เห็นนะาว่ามันมีขึ้นมีลงเออมันก็เห็นอะไรต่ออะไรความเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ในตัวตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าในช่วงสุดท้ายของชีวิต พอศิอาจจะเป็นคนที่ล้องกรี๊ดกรี๊ดมากที่สุดพเพราะเจ็บปวดอะไรเนี่ยก็เป็นได้เนาะอันนี้ขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยคือว่าจะบอกว่าพ็อิไม่ถ้ามองตัวเองอย่างตรงไปตรงมาที่สุดไม่ใช่เป็นคนวิเศษวิโสอะไรเลยสักนิดหนเ่งเป็นคนโชคดีที่ว่าทำอะไรก็ก็ <c oughs> ที่ล้มเหลวก็เยอะอะฮะ แต่ว่าโชคดีที่ว่ามาบ้านปลายชีวิตเนี่ยมันจะในเรื่องของการตายดีมันทำไมมันมันไปได้สวยเลยเกินก็ไม่ทราบนะคะมันก็เลยดูเหมือนว่าเป็นคนเกง่งเป็นคนฉลาดเป็นคนอะไรนี่อะไรไม่ใช่หรอกค่ะธรรมดาอย่างยิ่งเลยค่ะแล้วก็อาจจะมีความสามารถในการเขียนเนาะ อันที่จริงอหลายๆคนก็อาจจะคิดมุมต่างๆแบบภาษีคิดในหนังสือหลายๆเล่มของภาษีที่ใครๆบอกวโอโ้มองมองอะไรจากมุมที่ที่ทําให้รู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วป้าเชื่อว่าคนอื่นก็มองในมุมนี้เหมือนกันบางเอิญเขาเก่งในเรื่องก็อาจจะไม่ได้คนเก่งในเรื่องของการร้อยเรียงภาษา อันนี้เป็น last talk ค่ะคือสา ร, รภาพจะก่อนไปว่าไมเปดนพิเศษอะไรเลย <c oughs> ขอบคุณว่ากับภะสีนะคะกลับนิพธนธ์คุณอาจารย์ค่ะถ้าวันนี้เป็นการบรรยายครั้งสุดท้า ย, ยาาค่ะอาจารย์อยากจะบอกอะไรพวกเราเจ้าค่ะก็ถ้าเกิดทมไมต้มองตายเนี่ยอย่า ย, ยนนื้อนะไม่ต้องยื้อนะเพราะว่าเห็นชะตากรรมของ พระหลายรูปแล้วเนี่ยถูกยื้อแล้วเนี่ยก็นั่งสงสารนะก็อย่าไปยื้อเพราะว่ า, าให้อัตมาไปแบบสบายๆดีกว่านะแล้วก็ไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจนะเอาแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังว่าอัตมาจะจะต้องตายอย่างสงบอย่างส ง, ง่างานะเพาะอาจจะเป็นอย่างคนอื่นพูดก็ได้ถ้าเกิดอัตมาเป็นอย่างอื่นไปก็อย่าไปคิดว่าไอ้สิ่งที่พูดไปเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะสิ่งที่พูดไปก่อนหน้านเนี่ย มันมีประโยชน์อยู่เพราะว่ามันก็เป็นการเรียนรู้ที่ได้มาจากครูบาอาจารย์แล้วก็ทั้งจากไม่ใช่เฉพาะครูบาอาจารย์เดียวนะคนหลายคนที่เป็นแค่สามัญชนแต่ว่าเขาตาเรียสุดท้ายเนี่ยแล้วเขาได้รับการแนะ น, นําโน้มน้าวหรือว่าเขารู้จักวางใจถูกเขาก็ไปสงบได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดไปเนี่ยตลอดศตปรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะมันอาตมาเชื่อว่าใช้ได้นะแต่ว่า ไอ้นคนพูดเนี่จะทำได้หรือเปล่าก็อย่าไปคิดใช่ไหมเพื่อนเพื่ก็ทช้คำว่ากลัวตายหรออาจาบอกไม่กลัวหรอกแต่แค่เกรงอันนี้ฟุ่เล่นแต่ต้อพูดจริงๆนะคือว่าถ้าบอกว่าไม่กลัวตายเลยก็ถือว่าเป็นการโอ้วดนะเพราะว่าไอ้ตอนนี้เราพูดจากเงื่อนไขปัจจุบันแต่เราไม่ได้พูดจากจุดตรงที่ว่าถ้าเกิดมัาไปอยู่ในเหตุการณ์อย่างในรถ ลโต้ชนไฟคลอกเนี่ยนะถ้าเราไม่กลัวนี้ก็ถือว่าแน่นะใช่ไหมแต่เราก็จะพูดอย่างนั้นได้เลยแต่ <S <S ว, ว่าเพราะว่ายังไม่เจอจริงนะถึงแม้ว่าจะฝึกมาก็ตามอีกประเด็นหนึ่งนะที่ที่พูดมาเนี่ยจะไม่ได้ดีเบี้ยวพวกเราเลยแต่ที่เป็นเบี้ยวพวกเราคือจะจะบอกพวกเราว่าเจออะไรเนี่ยไม่สําคัญต่อว่าใจเราเป็นอย่างไรนะ แต่ขขเพื่อความสุขของเราเนี่ยหรือความสงบเย็นของเราจะเกิดขึ้นได้ท่ามกลางสิ่งที่สขขงบร่มเย็นะแม้เราอยู่ท่ามกลางความกระทึกวุ่นวายแาม้กระทั่งเจอเหตุการณ์ที่เวลวร้ายในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดหรือความเจ็บปว่วยแต่ว่าถ้าใจเราวางไว้ดีเนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะทําให้เราเป็นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าไปมัวแต่หวังว่าขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราแต่ควรจะพยายามทำใจของเราเให้พร้อมสำหรับทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นและถ้าใจเราพร้อมใจเราดีอะไรเกิดขึ้นก็ทำให้ใจเราเป็นทุกข์ไม่ได้สาธุค่ะ คืคิดว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเราได้ฟังหชั่วโมงครึ่งนะคะเราได้ฟังเราสิ่งที่สําคัญของทั้งสองท่นนะคะแล้วก็คือคิดว่าเป็นคําตอบที่สดมากเลยมาเร่งการเตรียมใดๆทั้งสิ้นแล้วมันเป็นสิ่งที่คือคิดว่ามันมันจริงแทะะ้จริงแท้ที่ทั้งสองท่นได้ได้บอกออกมานะคะด้วยเองเนี่ยเอ่อทำงานเรื่องการเตรียมตัวตายมา สิกว่าปีก็จริงนะคะแต่บทจะต้องตายจริงๆเนี่ยก็กลัวนะคะล่าสุดเนี่ยเพ้่ยไปเฉลี่ยตายที่อินเดียที่ตอนเดือนสิงหาคมนะคะสารภาพเหมือนประศิลป์เลยค่ะกลัวตายมาก <c oughs> ก่อนหน้านี้คิดว่าตัวเองก็น่าจะน่าจะเอาอยู่เนาะ เ, นเราก็คิดอย่างประมาทหือว่าคิดเอานะคะว่าจะเอาอยู่แต่พอบทที่มันจะต้องตายจริงๆเนี่ยมันไม่เยามันไม่อยาก เราพยายามสู้สู้จริงๆค่ะสู้สุดชีวิตเลยที่จะมีชีวิตอยู่ทั้งที่รู้ว่าสร้ไมวไดแต่ก็อยากสู้นะคะมันไม่สามารถควบคุมหรือบังคับได้นะคะมันต้องยอมเองแล้วเม่ยอมปรากบว่าเรารอดนะฟรีก็รู้สึกว่าการที่เรามาอยู่ตรงนี้ค่ะหลายท่านอาจจะคาดหวังการมีช่วงเวลาสุดท้ายมาถึงตอนตายนะคะที่ดี แต่ตรงนั้นอาจจะไม่สําคัญเท่ากับว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะเป็นไปอย่างที่เราคิดหรือไม่นะาไม่ไม่ได้คิดไว้ประตาแต่ถ้าเราวางใจยอมรับสิ่งนั้นได้ที่พระจานท์พู่งมาสักครู่เรียกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่เรามันไม่มีอะไรที่เราต้องถือเอาไว้เลยค่ะ ะะแม้กระทั่งการตายดีของเราเองนะคะคือคิดว่าถ้าเราสามารถวางใจตรงนั้นได้เนี่ยนั่น อ, อาจจะเป็นจุดที่เราไปได้โดยที่เราไม่ได้รู้ด้วยซ้ว่าอย่างนั้นเรีอกตายดีหรือเ่าแต่ว่ามั น, ม, นมันไปได้นะคะเราก็ข้างหน้าจะเป็นไงก็ไม่รู้เนาะแต่ก็เชื่อว่าการการที่เรายอมให้สิ่ง น, นั้นมันเกิดขึ้นกับเราอะคะ่ะอันนี้สำคัญ ะะก็อยากจะจบเซสชันนี้ไว้ด้วยเสียงขอบคุณนะคะาจากทั้งสองท่านนะคะก็เรายกมือพนมด้วยคะ่ะสาธุนะะแล้วก็ขอบคุณพสิศด้วยค่ะนะค ะ, นะ ค, ะค่ะคุณนะคหมายกระซิบข้างๆว่าอยากจะพักสักหน่อยเลยใช่ไหมคะค่ะพอดีมีคนอยากจะถามนาา้าทราบแต่ว่าอา